วิธีทำให้สุกวิธีทำให้หวานเขาก็ต้องไปเก็บมาจากต้นเอาไว้ต้นเดียวมันหล่นก็นร่วงหล่นไปก็สัตว์จะไปกินวัดต้องเอามาจากต้นมามาบ่มไว้ให้มันสุกเสียก่อนเอาต้องเอาโลยเอาลูกแก่มันได้หละมันแก่แล้วก็มาบ่มมันก็จสุก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 มันธาตุลมมนนีรธาตุไฟก็อบอุ่นอยู่ในดวงของเราอธิบาย็นกล้งางธาตุทั้งสี่มันมีอยู่ในดวงของเราแล้วเราไปมายืนเดินนั่งนอนไปมาได้นี่เพราะธาตุทั้งสี่ให้เห็นธาตุสี่เท่านั้นหละเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรครับพันะถ้ปรุงแต่งเองเ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 เห็นเป็นจริงอย่างไรตามเป็นจริงอย่างไรนั่นแหละเป็นของจริงทีเดียวมันภาพเป็นของหลอกให้เรารุ่มหลงแต่คนชอบความหลงก็อชอบคนเราถ้าคู่ของกงก็ไม่ชอบหลงเท่าใดยิ่งอยากหลงคนทั้งหลายในโลกนี้เป็นยังนไง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 เมื่อแก่มาแล้วเอามารวมรวมลงสู่เมล็ดอั่งเดียวหมดคนเราได้แก่มายิ่งปรุงสัตไม่เหมือนมากมายเลยไม่เหมือนต้นไม้เลยสารพัดจะจะยุ่งจะยืงสารพัดจะต่วุ่นวายคิดถึงโน่นถึงนี่อะไรสารพัดทุกอย่าง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 ไม่มีเท่ตีควบคุมมันไปแล้วเทวตีควบคุมมันก็อยู่ในวัฏฏเอาหน่นละ่ะเป็นจิตเสียก่อน ข, อขันเมื่อคุมอยู่แล้วพุทโธจะหายไปค่ะนี่เจีงเจีงเหนือจะจิตเจียงว่าตัวพุทโธนั่นให้เป็นสื่อเบื้องต้นให้จิตมาอยู่นั่นเสียก่อน